สมภัสยองเรื่องนี้เป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาอย่างยาวนานสุดีกล่าวถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ได้ใช้เงินเก็บที่เขาเก็บมาดังชีวิตมาซื้อที่ดินห้าไร่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อที่จะปลูกผลไม้ขายแล้วเขาก็ได้สร้างบ้านเล็กๆไว้ในสวนด้วยหลังจากย้ายข้าวของเข้าบ้านเสร็จก็ไม่รอช้า เขาคว้าจอบเพื่อจะขุดหลุมปลูกกล้วยน้ำวาในขณะที่ขุดไปได้สักพักอยู่ๆจอบก็กระแทกบางอย่างเสียงดัง <P an noise> เขาสงสัยมากว่าจอบของเขานั้นไปกระแทกกับอะไรจึงเอามือเกลี่ยดินบริเวณ น, นั้นออกแล้วสิ่งที่เขาได้พบนั้นเป็นวัตถุบางอย่างคล้ายกับรูปปั้นสีดำ เขาลงมือขุดมันขึ้นมาแล้วจึงได้รู้ว่ามันเป็นรูปปั้นที่มีความสูงถึงระดับเอวรูปร่างลักษณะเหมือนชายหัวล้านอ้วนลงพุงมือทั้งสองข้างแตะอยู่ที่ท้องร่างนั้นมีสีดำทมินมีดวงตาสีแดงกล่ำและใบหน้าที่ยิ้มแย้มชวนสยดสยองขนหัวลุกภายในปากมีเขี้ยวซึ่งเล็กเรียงรายอยู่ที่มุมปาก มีกราบสีน้ำตาลคล้ายกับเลือดที่แห้งกรังเมื่อชายหนุ่มได้เห็นรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นมันทำให้เขารู้สึกกลัวมากจึงจัดการรีบนามันไปให้พระที่วัดในทันทีเมื่อหลวงพ่อท่านได้เห็นรูปปั้นประหลาดก็มีอาการตกใจอย่างเห็นได้ชัดรีบตะโกนเรียกเด็กวัดให้ตามพระรูปอื่นมาทันทีชายหนุ่มสงสัยและแปลกใจมากเลยถามมกไปว่ารูปปั้นนี้มันมีอะไรหรือเปล่า หลวงพ่อก็ตอบด้วยเสียงที่สั่นเครืยว่าเดี๋ยวเสร็จพิธีข้าจะเล่าให้ฟังทีหลังแต่ตอนนี้ต้องรีบแล้วชายหนุ่มเริ่มใจคอไม่ดีเลยยอมทาตามที่หลวงพ่อบอกแล้วเก็บความสงสัยเอาไว้ก่อนตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงแล้วพวกเขานาเอารูปปั้นนั้นไปใส่ในเมรุเผาศพและพระทัานก็เริ่มทาพิธีคล้ายกับจัดงานศพ แต่บทสวดที่ได้ยินนั้นมันฟังดูแปลกๆพิกนเวลาผ่านไปประมาณชั่วโมงกว่ากระจบพธิธีแล้วหลวงพ่อก็เล่าทุกอย่างให้ฟังรูปปั้นนี้มันเป็นของขเขมรโบราณชาวบ้านเขาเรียกว่าเทวรูปกินคนไม่มีใครเจอมาหลายสิบปีแล้วเองนี่มันซวยจริงๆเมื่อได้ยินดังนั้นชายหนุ่มก็นาซีดในทันทีแล้วหลวงพ่อ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 จะตามกลิ่นเลือดเองจนเจอชายหนุ่มกลับมาบ้านด้วยใจที่ไม่สู้ดีนักเขานอนไม่หลับจนกระทั่งเวลาห้าทุ่มกว่ า, ก, วาก็ได้ยินเสียงคล้ายวัวควายร้องหหยหวนอย่างทรมาน เขาสั่นไปทั้งตัวด้วยความหวาดกลัวจากนั้นเสียงก็เงียบไปแล้วเขาก็เผลอหลับไปได้วยความอ่อนล้าจนตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งในตอนเช้าเขาพยายามจะลืมเรื่องเมื่อวานเสียให้สิ้นแล้วตั้งใจทำไร่ทำสวนต่อไปเวลาบ่ายสามโมงเขาก็อาบน้ำเตรียมไปตลาดนัดไกลๆเพื่อจะซื้อของขณะที่เดินอยู่นั้น เขาก็ได้ยินแม่ค้าในตลาดพูดกันเรื่องเสียงวัวร้องเมื่อคืนก็จับใจความได้ว่ามีบ้านหลังหนึ่งของหมู่บ้านเราที่เขาเลี้ยงวัวไว้เมื่อตอนเช้ามีคนไปเจอวัวตายยกปุง๋งท้องโดนเจาะเป็นรูเครื่องในถูกควักออกไปหมดสําายเจ้าของบ้านก็ตายยกบ้านในสภาพเดียวกันกั บ, บวัวนอนตายท้องกลวงโบมชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็เลยถามว่า แล้วใครเป็นคนทําพอจะรู้ไหมป้าแมคคาก็อ้ำอึง้งเหมือนไม่อยากเอ่ยแล้วก็บอกว่าเขาลือกันว่าเป็นเทวรูปกินคนที่เคยอรารวาสที่หมู่บ้านอื่นเมื่อหลายปีก่อนครั้งนั้นก็ตายยกหมู่บ้านจนตอนนี้กลายเป็นหมู่บ้านร้างไปแล้วมันอาจจะดูเหลือเชื่อแต่มันก็เคยเกิดขึ้นจริงนะสมัยป้ายังสาวสาว แล้วก็มีหมอผีมาสะกดวิญญาณเอาไว้จับมันฝังดินแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าฝังเอาไว้ที่ไหนนี่คงมีใครทะลึ่งไปขุดเจอเข้ามันเลยตื่นขึ้นมาอีกแน่แน่ชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็น่าสีดแขนขาชาแม่ค้าถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าพ่อหนุ่มชายหนุ่มตั้งสติแล้วตอบไปว่าไม่เป็นไรครับป้าจากนั้นก็รีบกลับบ้านในทันที คืนนั้นขณะที่เขากำลังจะเลิมหลับก็ได้ยินเสียงกรีดร้องบนเสียงหัวเราะมันดังก้องจนฟังดูน่าขนลุกน่ากลัวมันทำให้เขาเกิดความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความสงสัยและอยากพิสูจน์ให้รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เขาจึงเดินไปที่หน้าต่างแล้วค่อยๆแง้มม่านออกทีละนิดเมืม่อมองออกไปก็เห็นทางเข้าสวนที่เป็นถนนลูกรัง และมีไฟถนนท่องสว่างหนึ่งดวงห่างจากตัวบ้านของเขาไม่ไกลนักเมื่อกวาดสายตาออกไปภาพที่เห็นตรงหน้านั้นก็ทำให้เขาแทบช็อกเมื่อเขาเห็นมันร่างดำทมินเดินวนไปวนมาคล้ายกับว่ากำลังหาอะไรบางอย่างอยู่เขาจ้องตาไม่กระพริบทันใดนั้นเขาก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อมันหันมามองทางเขา แสงไฟสลัวสาดส่องทำให้เห็นรอยยิ้มที่หน้าสยดสยองเขี้ยวที่ยังรายในปากก็เปื้อนเต็มไปด้วยคราบเลือดเขาผงะออกจากหน้าต่างทันทีแล้วคิดในใจว่ามันจะรู้หรือเปล่าว่าเขาอยู่ในนี้แล้วเสียงกรีดร้องพร้อมเสียงหัวเราะที่แหบแห้งหน้าขนลุกกระดังขึ้นเสียงที่ได้ยินนั้นมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆและเหมือนกับว่า มันกำลังมาที่หน้าต่างของเขาชายหนุ่มต้องทนฟังเสียงร้องหวยหวนอย่างนี้ทั้งคืนจะนอนก็นอนไม่ได้จะหลับก็หลับไม่ลงจนรุ่งเช้าเสียงร้องนั้นก็เงียบไปเมื่อตะวันขึ้นแสงอาทิตย์เริ่มาสาดส่องเขาไม่รอช้ารีบตรงดิ่งไปที่วัดในทันทีพอถึงวัดก็เห็นว่ากำลังมีงานศพอยู่ เขาพุ่งตรงเข้าไปหาเด็กวัดคนหนึ่งแล้วก็ถามหาหลวงพ่อแต่คำตอบที่ได้กลับทำให้เขาชอกเป็นอย่างมากเมื่อเด็กวัดได้บอกว่าหลวงพ่อมรณภาพไปเมื่อคืนวันที่ทำพิธีในคืนนั้นแล้วเด็กวัดเล่าต่ออีกว่าหลังจากเสร็จพิธีกลางดึกคืนนั้นหลวงพ่อก็เป็นห่วงคนที่บ้านท่านเลยคิดจะยันไปให้แต่เช้ามาที่ข้างทาง ก็เห็นศพของท่านแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นย่ามที่ใส่ยันก็ลอยอยู่ในน้ำคลองใกล้กับบริเวณนั้นแล้วคนที่บ้านท่านก็ตายหมดบ้านที่เลี้ยงวัวที่ตายยกบ้านนั่นแหละเป็นบ้านพี่น้องของหลวงพ่อท่านเองชายหนุ่มถึงกับสุดหลังจากได้ยินเรื่องนี้แล้วพระรูปหนึ่งก็เดินเข้ามาแล้วถามว่ามีอะไรหรือโยมชายหนุ่ม ไม่รู้จะไปหวังพึ่งใครเลยเล่าสิ่งที่เขาพบเจอทั้งหมดให้พระรูปนั้นฟังพระท่านก็บอกกับเขาว่าตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้หรอกโยมต้องรอจนกว่าหมอขเขมรจะมาแต่ตราบใดที่พกยันไว้มันจะช่วยบังตาเทวรูไม่ให้มองเห็นเราทำใจให้สบายเถอะโยมแล้วชายหนุ่มก็กลับบ้านด้วยความอ่อนเพลีย เพราะไม่ได้นอนเลยทั้งคืนบวกกับอาการหวาดกลัวกับสิ่งที่เจอทั้งหมดซึ่งมันทำให้เขาแทบบ้าแต่อย่างน้อยก็มียันที่ช่วยให้เขาอุ่นใจขึ้นตอนนี้หมู่บ้านที่เคยสงบสุขมีคนออกมาทำไร่ทำสวนกันอย่างคึกคักก็ไม่ต่างอะไรกับหมู่บ้านร้างอยู่แต่ในบ้านไม่ออกไปไหนเก็บตัวอยู่อย่างนั้นชายหนุ่มก็เช่นกันหลายวันต่อมา หมอผีขเขมีนก็มาถึงหมู่บ้านเขาตรงไปที่บ้านของชายหนุ่มตามคำบอกของพระธิวัฒแต่ก็ไม่มีวี่แววว่ามีคนอยู่หมอผีจึงถือวิสาสะเดินเข้าไปในสวนซึ่งมีหญ้าขึ้นรกทึบเกือบท่วมหัวแล้วเขาก็ได้เจอตอไม้ที่เปื้อนเลือดพร้อมกับรอยเท้าค น, นเขาจึงเดินตามรอยเท้านั้นไปแล้วก็พบกับร่างชายหนุ่มซึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ ตาเลือกถลนออกจากเบา้าบริเวณท้องกลวงโบแต่ที่น่าสยดสยองที่สุดคือเทวรูปนั้นมันอยู่ในท้องของเขาแล้วใบหน้าของมันก็แยะยิ้มสยดสยองเปียกโชกไปด้วยเลือดและนอนอย่างสบายใจในท้องของชายหนุ่มราวกับว่ามันเพึ่งอิ่มเอมกับอาหารมื้อใหญ่มาหมาดหมาหมอผีไม่รอช้าไร้คาถาทันที แล้วค่อยๆเอามือควักมันออกมาจากท้องของชายหนุ่มเอามันใส่ลงในย่ามอาคมใบใหญ่จากนั้นชาวบ้านก็มาช่วยกันทำพิธีสะกดวิญญาณเมื่อจบพิธีเด็กวัดคนหนึ่งก็เกิดสงสัยบางอย่างจึงเอ่ยถามหมอผีว่าอาจารย์พี่คนนั้นเขาพกยันแต่ทำไมยังโดนตามเจอละ่ะหมอขเขมรจึงตอบไปว่าไอ้คนนี้ มันคงกลัวเสียงของเทวรูปผีมากจนถึงขั้นสติแตกวิ่งหนีออกจากบ้านมาแต่ดันพลาดท่าลมถูกตอไม้ทิ่เมเอาเลือดออกพอไอ้เทวรูปมันได้กลิ่นเลือดก็เลยตามกลิ่นคาวเลือดมาเจอจนได้หลังจากนั้นเรื่องราวก็ถูกกล่าวขานสืบต่อกันมาจากพระรูปหนึ่งที่ได้ฟังได้รู้เรื่องราวทั้งหมดจากชายผู้นั้นก่อนที่เขาจะตาย ส่วนที่ดินตรงนั้นก็ถูกทิ้งร้างไปนานหลายสิบปีจนหลานที่เป็นลูกของน้องสาวชายคนนั้นก็เข้ามาทาสวนทาไร่ในที่ดินของเขาสืบต่อกันมาหลายรุ่นจนตอนนี้ก็ถึงรุ่นผมเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องดูแลพื้นดินแห่งนี้ซึ่งผมก็มาอยู่ได้สามเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่เคยเจออะไรและก่อนที่จะมาที่นี่ ปู่ผมก็ได้กําชับไว้ว่าที่ท้ายสวนจะมีโพรงใต้ดินปากโพรงจะมีไม้ตอกกั้นไว้คล้ายคลายคอกเล็กๆตรงนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ห้ามไปยุ่งเด็ดขาดถ้าไม่อยากเป็นแบบปู่ทวดแน่นอนว่าผมไม่ไปยุ่งตรงจุดนั้นแน่แล้วยันพรางตัวนั้นผมก็มีเก็บไว้กับตัวอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผมมาอยู่ที่นี่เลยจนกระทั่งคืนก่อนผมได้ยินเสียงร้องหหยหวนมาจากท้ายสวนและคืนนี้ก็เช่นกันตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วผมก็ยังไม่ได้นอนเพราะเสียงมันน่ากลัวน่าขนลุกมันดังจนไม่กล้าค่มตานอนเลยผมยังได้ยินเสียงมันอยู่ทุกวันหลังหกโมงเย็น มันทำให้ผมแทบจะเป็นบ้าเป็นโลกนอนไม่หลับผมต้องนอนหกโมงเชา้าแล้วตื่นตอนเที่ยงทุกวันตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันนี้ที่ผมมาเล่ามาแชร์เรื่องราวผมก็ยังคงมีชีวิตอยู่ สัมผัสสยอง